สำหรับตอนนี้อาตมาขอถวายพระพรพระมหาบุิตในเรื่องของวิตกจริตกับโมหจริตสำหรับวิตกจริตและโมหจริตในสองประการนี้องค์สมเด็จพระจินดาสีทรงแนะนำให้ใช้กรรมาฐานข้อเดียวกันเป็นเครื่องเระงรับความฟุ้งซ่านและความไม่แน่นอนของจิต สำหรับเพื่กรรมฐานที่องค์สมเด็จพระวิชิตธมานทรงประทานให้เป็นเครื่องระงับหรือคู่ปรับรกรรมฐานคู่นี้ไม่ว่ารมแห่งวิตกจริตและโมหจริตก็ได้แก่อนาปานุสติกรรมฐานตอนนี้อรตมาจะขอถวายพระพรในลักษณะของวิตกจริตและโมหจริตก่อนสำหรับปีตกแปลว่าตึกเมื่อคิด ไม่ตกลงใจมีอารมณ์ที่มีความไม่แน่นอนใจสําหรบบโมหจริตก็มีความหลงเป็นปกติคนที่มีวิตกจริตกับโมหจริตเทมสอรายการนี้มีอาการคล้ายคลึงกัน <c oughs> ทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นคนที่ตัดสินใจไม่ตกลงมีอารมณ์คิดอยู่เสมอหาความแน่นอนอะไรไม่ได้ ด้วยไม่แน่นอนว่าจะควรตัดสินใจเป็นประการใดถ้ามีใครมาบอกเหตุสำคัญหรือไม่สำคัญคนประโยชน์ที่จะพึงได้หรือไม่ได้ความไม่แน่ใจก็เกิดขึ้นกับบคุคคลประเภทนี้ลักษณะที่จะเห็นง่ายๆคนที่มีวิตกจริตเป็นคนที่มีอารมณ์ซึม ไม่ค่อยมีการกะปรี้กับเราไม่กล้าตัดสินใจที่มีความสําคัญใดๆถ้ามีเรื่องอื่นที่จะเพึงเกิดขึ้นหรือเรื่องราวที่ต้องรับผิดชอบเกิดขึ้นมักจะชอบโยนกลองให้แก่บุคคลอื่นเป็นผู้รับผิดชอบเป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เพื่อหากําลังใจที่ตัดสินใจแน่นอนไม่ได้สําหรับท่านที่มีโมหะจริต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 และมีความคิดอยุดเสมอว่าทรัพย์สินทั้งหลายของเราที่หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากเราจะไม่ยอมแบ่งปันให้ใครจะกอบโกยไว้บำรุงความสุขปล่อยตนแต่ผู้เดียวอารมณ์ทั้งสองเรืการนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นอารมณ์แห่งความพุ้งร่านของจิต คือจิตไม่มีการปรงไม่สามารถจะตัดสินใจไม่สามารถจะทำงานใดๆให้ลุล่วงไปได้โดยรวดเร็วแล้วก็มีความหวงมีความยึดเหนี่ยวอยู่เป็นปกติอารมณ์ก็มีความฟุ้งซ่านเฉพาะนักวิตกจริตก็คิดเยอะเสมอกเกรงว่าความผิดกเกรงความพลังพลาดจะเกิดขึ้นไม่กล้าตัดสินใจ สำหรับท่านที่มีโมหะจริตนั้นก็หลงไม่รู้ความเป็นจริงไม่แสวงความหาความสุขในการเกือก้อคูณ <c oughs> ไม่แสวงหาความสุขในการละในการเสียสละการสงเคราะห์บุคคลอืน่นและก็หลงในชีวิตคิดว่าจะไมแก่คิดว่าจะไม่ป่วยคิดว่าจะไม่ตาย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 ให้ใช้กรรมฐ า, านที่มีความสำคัญมีอารมณ์ละเอียดและก็เป็นพื้นฐานใหญ่ในการทรงจิตให้เป็นสมาธิทั้งนี้พ่อไหร่ก็เขาว่าต้องพยายามรักษารมที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับความคิดใดๆทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมมุสุคตสมรดทานให้กำหนดรูลมให้ใจเข้าออก <c oughs> เวลาให้ใจเขา้ารู้อยู่ให้ใจเขา้า เวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ไม่ต้องใช้คำาพวนาหรือการพิจารณาใดๆดทั้งหมดถ้าใช้คำภาวนาและการพิจร า, า, พร า, ารณาแล้วอารมณ์จิตก็จะชวนให้เกิดความฟุ้งซ่านมากขึ้นดังนั้นต้องระ ง, งับการพรมภาวนาและพิจรารณาใดๆดให้สิ่น ไม่ใช่อารมณ์กิดให้คิดระ ว, วังอยู่อย่างเดียวคือลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกให้พยายามกำหนดรู้อยู่เป็นอันดับแรกและอันดับต่อไปไม่จิตใจไม่เริ่มความมีความสมบายจิตใจคลายใจอารมณ์ความคิดความฟาุ้งซ่านก็กำหนดรู้ลมให้ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นนี่จะได้ของมหาปฏิปฐานสูตร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 จิตก็คงทรงอยู่คุ้นเคยอยู่กับความฟุ้งร้านของจิตเป็นปกตินี่ถ้าหากว่าจะใช้เวลาในการบังคับจิตให้ทรงอยู่ในรมรูม้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกยาะกะจะเกินเวลาให้แน่นอนว่าต้องการเวลาสักครึ่งชงั่วโมง1ชั่วโมง2องชองั่วโมงสามชั่วโมองอย่างนี้ก็ไม่สามารถจะทำได้ ว่าเป็นการบังคับจิตมากเกินไปเมื่อจิตมีสภาพท่องเที่ยวเหมือนกับคนที่มีอิสระภาพไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครมาในการก่อนเคยเนอิสระจะไปไหนเมื่อไรก็ได้จะทำงานเมื่อไรก็ได้จะหยุดเมื่อไรก็ได้ <c oughs> ทำมาแบบนี้เป็นอิสยัยเป็นปกตินานแสนนาน ถ้าอยู่ๆก็จะมาบังคับบุคคลประเภทนี้ให้อยู่ในขอบเขตจะไปไหนอยู่ในเกณฑ์บังคับโดยฉับพรันให้เขามีความพอใจด้วยความเต็มใจโดยที่มีอารมณ์ใจไม่กลุ่มย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าถูกกักขังถูกบีบบังคับมากเพียงใดจิตใจก็จะเกิดอาการสะทศสิทานมีความกลุ่มเป็นปกติความไม่สมบายกายไม่สมบายใจก็จะมาเกิดขึ้น ขอนี้มีประมาณชั้นใดในการควบคุมจิตที่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านเดิมหน่อยถึงการตัดสินใจไม่แน่นอนหาความมั่นคงของจิตไม่ได้อย่างหนึ่งและจิตที่ประกอบไปด้วยความหลงคิดว่านั่นเป็นเราเป็นของเราไปสมหมดโดยไม่ยอมรับนับถือกฎขงธรรมดาพัจะมานั่งบังคับว่าจิตจงอยู่ในขอบเขตนี้ที่เราต้องการ โดยใช้เวลาบังคับคือฝึกขั้นดับแรกก็ใช้เวลานา น, านตั้งครึ่งชั่วโมงด้วยนึ่งชั่วโมงแต่คืนทําอย่างนี้แทนที่จะได้ดีก็กลายเป็นคนมีอารมณ์พุ่งซ่านเป็นการบีบบังคับใจเกินไปไม่ช้าก็จะเป็นโรคประสาทฉะนั้นองค์สมเด็จพระบร ม, มโลรสาธนาชทรงแนะนำการระงับอาการพุ้งซ่านของจิต ดยนาปานุสติกรรมฐานโดยที่องค์สมเด็จพระพุทธิตามานทรงแนะนำว่าลองบังคับจิตดวก่อนโดยใช้เวลายาวสักนิดหนึ่งหรือาจจะตั้งเวลาไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก็ได้ตามอธัธยาศัยแต่ท้าว่าจะบังคับจะซื่อสัตวเวลามากเกินไป ให้ดูกําลังใจว่าสามารถจะมีความเข้มแข็งพอที่จะบังคับอารมณ์จิตให้รู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกได้ตามความต้องการหรือไม่ให้ลองพิพจารณาไปการควบคุมจิตจะได้ในขณะไหนถ้าว่าทำไปควบคุมจิตได้ในเวลาคึ่งชั่วโมงตามต้องการอย่างนี้ก็ชื่อว่าคนนั่นเก่งมาก ต้องถือว่าเป็นคนที่มีความพื้นฐานเดิมมาดีมากถ้าจะพูดกันตามนักปฏิบัติประการฐานก็แสดงว่ากฎคนบุคคลนั้นในชายก่อนได้ฌานสมาบัติมาก่อนและอารมณ์ของฌานสมาบัติเข้ามาถึงจิตจึงสา ม, มารถควบคุมอารมณ์จิตได้ถึงครึ่งชั่วโมงนี่เป็นเหตุผลเหตุผลที่พอจะยืนยันได้ ถ้อเท่าว่าถ้ากำลังของบุคคล น, นั้นไม่สามารถไม่เคยทรงฌานมาในการก่อนหรือว่าทรงฌานมาในการก่อนแต่ส่วนกุศลอ น, นั้นยังไม่บรรดาลผลในปัจจุบันท่านผู้นั้นก็ไม่อาจจะสามารถทรงอารมณ์ให้รู้ลหลอไม่ใจเข้าใจออกได้นานแม้แต่เพียงสิบนาทีถ้าทำเพียงได้แค่ไ ด, ด้นิดนิ ด, นดหน่อยหน่อยไม่ช้าเพียงเท่านี้จิตก็เกิดอารมณ์ฟุง้งซ่าน เมื่อลมอื่นจอนเข้ามาดีไม่ดีก็ลืมลมให้ใจเข้าให้ใจออกไม่รับไม่ยอมรับรู้ลมให้ใจเข้าใา้ใจออกจิตไปจับรมอื่นเข้ามาแทนที่เคลมหมายความว่าท่องเที่ยวไปสู่ลมต่างๆเนื้อการอย่างนี้จะมีกับนักปฏิบัติส่วนใหญ่ตามที่เห็นมาในการก่อนและในปัจจุบัน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 ตามในที่องค์พระองค์ทรงแนะนำไว้ในมหาวิสุทธิมรรคในหนังสือวิสุทธิมรรคที่เรียกันว่าปกรณ์วิเศษอันเป็นหนังสือที่พระพุทธโคสาจารย์สมัยก่อนโน้นสมัยเมืองสุธรรมดีรัจนนาไว้ท่านบุนี้ทราบข่าวว่าเป็นพระไทยใหญ่ไม่ใช่พระแขก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 แล้วก็ต่อมาจากอีกคู่นหนึ่งเป็นสองแล้วขึ้นต้นหนึ่งสองสามขึ้นต้นหนึ่งสองสาม ส, ามสี่อย่างนี้ไปจนถึงสิบ ท, ทดลองกำลังจิตว่าจิตจะทรงยัได้โชรณดะใดแน่แต่มีวิธีที่จะแก้ปฏิบัติกันรู้สึกว่าจะง่ายกว่านั้นสักนิดหนึ่งโดยใช้เวลาสั้น ให้พยายามกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าหายใจออกนับเป็นหนึ่งคือจะนับเป็นโคบางคับจิตคิดว่าเราจะกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกนี้ประมาณสิบโคคือหนึ่งถึงสิบโดยตรงนับรวดเดียวไม่ย้อนไปย้อนมาถ้าภายในระยะหนึ่งถึงสิบโคนี้บังเอิญจิตจะคิดฟุง้งซ่านไป น, นอกขอบเขต ท, ที่ต้องการจากการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก ก็จะต้องลงโทษจิตคือว่าไปพลาดจุดไหนจิตไปสัวรมอื่นขึ้นแลบออกไปไม่ขนดรูลมให้ใจเขาออกในระยะไหนก็ตามจะต้องทรมานจิตมาคิดตั้งต้งตนหนึ่งกันใหม่จงกว่าจะถึงสิบเมื่อขณะตั้งต้นตั้งแต่หนึ่งถึงสิบจิตสามารถจะทรงอยู่ได้ตามความต้องการ แต่ว่าในระยะแรกๆ ก, ก็รู้สึกว่าจะเป็นการทรมานจิตไม่น้อยเหมือนกันเพราะจิตเป็นม้าพยศเราจะมาบังคับไปอยู่ในขอบเขตระยะสั้นๆย่อมเป็นของลำบากแต่ถึงกระไรก็ดีถ้านับหนึ่งถึงสิบได้แต่จิตมีความลำบากมากก็พักเสียหรือว่าไม่พยายามทำต่อไปปล่อยอารมณ์จิตในคิดไปตามสมบาย เพราะว่าการกักขังแกเคยเที่ยวมาบังคับโูเข็นให้อยู่ในสถานที่เดียวในเวลานา น, านๆย่อมเกิดความลำบากก็ปล่อยอารมณ์ไม่คิดไปตามเรื่องตามราวถ้าพอมีอารมณ์จิตสบายเข้าก็เริ่มตั้งตนใหม่ว่าหนึ่งถึงอีกถ้าความลำบากมากขึ้นก็ไม่ต้องทนเลิกไปเสีย เป็นการเยืดหยุ่นปล่อยให้จิตบังคับบังปล่อยตามอัตยาสบยบงถ้าทำแบบนี้บ่อยๆถ้าจะกำหนดเวลาอย่างง่ายๆสมมติว่านักปฏิบัติเป็นคนที่มีเวลามากในการทำงานวันทั้งวันไม่มีเวลาจะพักผ่อนก็ใช้เวลานอนไม่ต้องนั่งเรื่องการปฏิบัติเรื่อการฝึกจิต องสมเด็จพระธรรมสามิตรทรงตรัสว่าจะนั่งก็ได้นอนก็ได้ยิงก็ได้เดินก็ได้สําหรับการนั่งควหาทางกิจการที่นั่งแบบสบายๆไม่จําจะต้องบังคับไ้นั่งขัดสมาธิหรือนั่งขัดร่างพับเพียบจะนั่งในท่าไหนก็ได้ถ้าร่างกายมันสบายท่าไหนก็นั่งท่านั้นอันนี้หมายถึงว่าในระยะการฝึกระยะแรก ระยาการฝึกรยะยนแรกไม่ควรจะทรมานหรือจะฝืนกายเกินไปพยายามรักษากำลังใจเป็นสำคัญต้องมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราฝึกจิตเราไม่ได้ฝึกกายกายจะสบายท่าไหนปล่อยไปท่านั้นการฟังแบบนี้บางทีท่านผู้ฟังจะคิดว่านี่มันนั่งสอนให้คนขี้เกียจไม่มีระเบียบ แต่อัตมาก็เห็นว่าเป็นผลดีสำหรับนักปฏิบัติไม่แต่ผู้พูดเองท้า ม, มาอัตมาเองก็เช่นเดียวกันระยะใหม่ๆระยะกลางกางบางครั้งที่ร่างกายมีความไม่สมบูรณ์ไม่สามารถจะนั่งได้นานด้านหนาจของการนั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งพับเทียบก็ใช้อริยาบทที่มีความสมบาย คือนั่งแบบเป็นสุขนั่งท่าไหนก็ตามถ้าร่างกายสบายก็ทําท่านั้นรักษากําลังใจเป็นสําคัญไม่ว่ากันทั้งชาวบ้านที่มีงานมากเกลางวันทํางานเต็มวันทําเวลาพักผ่อนได้ยากบางทีกลางคืนก็แถมมีงานอีก <c oughs> ถ้ามีงานมากประเภทนี้ก็ควรจะตั้งเวลาไว้สองจุด ให้เป็นเวลาแน่นอนคือเวลานอนก่อนจะหลับไม่ต้องนั่งก็ได้นอนให้สบายเป็นนอนท่าไหนก็เป็นไปตามอธัธยาศัยนอนให้สบายแล้วก็ขบังคับจิตว่าเราจะกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกในอันดับแรกยังไม่ต้องรู้ยาวรู้สั้นเอาแผงเพียงแค่รู้ลมเข้าลมออกเสก่อนสิบครั้ง เมื่อได้สิบครั้งก็เลิกปล่อยอารมณ์ไปจิตจะคิดยังไงหรือว่าจะหลับไปก็ให้เื่นไปตามมัตตยาใสายไม่มีบังคับแล้วก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นว่าถ้าตื่นจากนอนเมื่อไรก็จะพยายามกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอีกสิบครั้งก่อนจะลุกไปสู่ที่ทํางานถ้าพยายามทําอย่างนี้ได้ไม่นานเท่าที่เคยทดลองมาแล้ว ใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือนจิตจะมีรมเรียบสามารถจะทรงสมาธิในแนบสนิทไม่น้อยกว่าครึ่งชงั่วโมงบางรายก็เกินกว่านั้นนี้ที่ฝึกเปิดมาจริงๆตามนี้มีผลจริงๆนี่การฝึกการนับแบบนี้เรื่อความจริงอันดับแรกรู้แต่ลมเข้าลมออก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 เพราะว่าจิตมีอารมณ์สมัครใจรู้สึกว่ามีอารมณ์เป็นสุขความสุขจากอนาปานุสติกรามฐานนี่มีมากว่าท่านผู้ใดสามารถส่งสมาธิจากอนาปานุสติกรมฐานได้ท่านผ้นั้นจะมีความสุขกายและสุขใจมากเป็นที่สุดเพราะว่าพระกรรมฐานกล่องนี้เป็นกรรมฐานที่ระงับกายสังขาร ในอีกโการหนึ่งก็เป็นกรรมฐ า, านที่มีภาคพื้นใหญ่จะเจริญราา ด, ด้วยกรรมฐานบทใดกองใดก็ตามไม่ใช่เจริญวิ ป, ปัสสนาญาณก็ตามต้องขึ้นต้นโดยนาฬปานุสติเสือก่อนถ้าไม่ขึ้นต้นโดยนาปานสติเสือก่อนจิตจะข่มได้ยากจะเป็นสมาธิยากกรรมฐ า, านกองนั้นๆอาจจะไม่มีผล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 หรือว่าจะพิจารณากรรมาฐานกองใดกองหนึ่งในด้านสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาก็ได้ตามอัติยาไซจะมีผลดีรวดเร็วอารมณ์จิตจะสบาย <c oughs> มิว่ากาันตามพื้นฐานของมหาสติปัฏฐานาสูขท่านให้ใช้แบบเบาๆแบบนี้มีผลดีถ้าจะพูดตามในแบบของวิสุทธิมรรต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 ถ้าไม่ฉลาดในการปฏิบัติเขารู้สึกว่าจะหนักมากพอดูดีไม่ดีกล็ลมเหลวต้องเลิกกันไปตามตามกันตามแบบฉบับของพระพุทธโกสาจารย์ท่านบอกไว้ว่าการกำหนดรูลมให้ใจเขาออกต้องกำหนดรูในจิตสามฐานคือให้จิตรูกองลมสามฐาน เวลาให้ใจเข้าลมจะกระทบที่จมกูกแล้วกระทบที่หน้าอกกระทบศูนย์เหนือเสนอนิดหน่อยภายในไม่ใช่ภายนอกเวลาลมให้ใจออกให้คุณมีความรู้สึกว่าลมกระทบศูนย์เหนือเสน่ห์กระทบหน้าอกถ้าเป็นคนมีริมพิ ป, ปากเชิดจะกระทบริมพิปากบน ถ้าว่าเป็นคนมีริมพิปัาิง้มก็จะมีความรู้สึกว่ากระทบที่จมูกท่านว่าการกำหนดจิตรู้ฐานลุ่มทั้งสามฐานจะเป็นกำลังให้จิตมีสมาธิมั่นคงถ้าว่าจิตจะเป็นฌานได้ง่ายแต่ถ้าว่าวิธีนี้นักปฏิบัติใหม่ๆก็ขอได้โปรดสาบ ว่าอยู่ๆก็จะมาแบกช้างไปอาบน้ามันก็จะเป็นของหนักหรือว่าจะเอาไม้สีไปงัดไม้สูงก็ลำบากจะเอาดัมพร้าที่มีความแข็งมากมาเอาเข่าดันให้หักก็เห็นจไม่ไม่สะดวกนักนักปฏิบัติที่มีความฉลาดจะต้องรูหลบเป็นปีตรูเหล็กเป็นหาง ให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าช้าช้าได้พราได้งามถ้าหากว่หิงก้อนใหญ่เราจะตีให้พังทีเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องค่อยๆเลาะไปทีละน้อยอยจึงจะสำเร็จผลข้อนี้มีอุปมาชั้นใดหอมบรรดาท่านพุทเศาสาวกนิกนชนที่ปฏิบัตินนนาปานุสติจมฐาน ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเหตุนั้นเปรียบเทียบกันไปที่พระพุทธโคสาจารย์ท่านบอกว่าควรกําหนดลู้ลมสามฐานหายใจเข้ากระทบจมกูกกระทบอกกระทบศู น, น ย, ย์เหนือสะดืหายใจออกกระทบระสู น, เนยเหนือสะดืกระทบหนอกกระทบริมผิบ ป, ปากหรือจมกูก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 กลุ้มเพราะอะไรกลุ่มเพราะไม่สามารถจะรับการสัมผัสของลมหายใจเข้าออกได้ตามความต้องการถ้ามารับความความสัมผัสตามความต้องการไม่ได้ความกลุ่มมันก็เกิดเหตุแห่งความกลุ่มนี้เป็นปัจจัยให้คนเลิกเจริญพระกรรมฐานเสียไม่น้อยออสําหรับนักปฏิบัติถ้ามีความฉลาดในการเจริญอนาปานสติกรรมฐาน ตามแบบฉบับที่พระพุทธโคสาจารย์ทรงรจนาไว้ก็จะต้องปฏิบัติตามนี้นัานดับแรกพยายามกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าอันใจออกเพียงแค่จะหมกกับริมพิปา ก, ก่อนควบคุมกำลังจิตให้กำหนดรู้เพียงแค่นี้ได้ถีว่าเป็นการดีในอะั น, นดับแรกต่อมาเมื่อจิตละเอียดลงจิตเริ่มเป็นสมาธิมากขึ้น ก็จะมีความรู้สึกเองว่าลมกระทบที่หน้า อ, อกข้างในเวลาลมไหลเข้าไปทั้งอันไหนจะมีความรู้สึ ก, กว่าลมกระทบแล้วถ้ามีจิตละเอียดยิ่งไปกว่านั้นสมาธิสูงขึ้นก็จะรู้สึกว่ากระทบทั้งสามฐานทั้นี้ก็ต้องดูกําลังใจหรือกําลังสมาธิของตอนเองเป็นสําคัญถ้ากําลังใจยังอ่อนอยู่ก็ใช้ฐานเดียวเป็นฐานแรก อันนี้เป็นเครื่องสังเกตอยู่อย่างหนึ่งถ้าหากว่าสามารถรู้ลมหายใจเข้าออกกระทบได้ฐานเดียวอย่างนี้ท่านบอกว่าจิตของท่านผู้นั้นมีระดับสู่คณิกะสมาธิเรียกกัะว่าสมาธิเล็กน้อยแล้วก็ยังไม่สามารถจะทรงอารมณ์ได้นานนักอารมณ์แห่งการเจริญสมาธิในด้านนาปานสีกรรมฐาน ควรจะปล่อยไปตามความสบายของจิตจะใช้อรมบังคับมากเกินไปเพราะว่าถ้าใช้อรมบังคับมากเกินไปจะกลายเป็นโรคเส้นประสาทแร้วร่างกายจะกลายเป็นร่างกายทุพลภาพบังคับให้นั่งนานเกินไปยืนเดินเกินนานเกินไปอย่างนี้เป็นตน้นเมื่อจิตจะส่งความฟุ้งซ่านก็จะต้องดึงเข้าไว้แต่าการดึงระหว่างนี้จิตใจจะไม่ส่งสมาธิจะเกิดความกลุ่ม ถ้าการอย่างนี้เกิดขึ้นท่านนักปฏิบัติทุกท่านต้องระมัดระวังรู้จักอาการยืดหยุ่นของจิตรู้จักการผ่อนสั้นผ่อนยาวตามแบบฉบับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเพราะว่าในมิสุทธิมรรคเช่นเดียวกันท่านพระพุทธโคสาจารย์ได้แนะนำไว้ ว่าองค์สมเด็ดพจรพระจอมไตรพรทมณาสเดนดาทรงตรัสแนะนําว่าการเจริญสมาธิจิตในด้านานาปานุสติกรรมฐานคือจะควบคุมอารมณ์จิตของตนนั้นไม่ให้เกิดอารมณ์ฟุ้งซ่านในด้านของโมหะจริตและวิตกจริตพวกนี้มีอารมณ์ฟุ้งซ่านมากควบคุมกําลังใจไม่อยู่อารมณ์จิตไม่มีความเข้มแข็ง จากนั้นจะต้องดูกำลังใจของตนถ้าวันไหนมีมพอสบายสามารถจะส่งได้ตามเวลาที่ต้องการอย่าให้มากนักในระยะตนการส่งเวลามากนี่เป็นเรื่องของบุคคลผู้ฝึกเวลาให้เวลาน้อยๆคุมให้ส่งอยู่แต่ว่าเวลาน้อยๆ อ, อ, อย่างนี้ก็อย่าเพิ่งคิดว่าจะสามารถบังคับจิตใจทุกขณะหรือทุกคราวที่ต้องการ ในการบางครั้งจะใช้เวลาเพียงสามนาทีก็ไม่สามารถจะคุมอารมณ์จิตได้และก็ไม่ต้องพูดกันถึงว่าฐานสามฐานเอาเพียงแค่ฐานเดียวฐานแรกคือที่ปลายจมูกก็ไม่สามารถจะบังคับได้อารมณ์ใจของคนมีความไม่แน่นอนการจเจริญสมาธิขึ้นอยู่กับร่างกายเป็นสำคัญเหมือนกัน ท่าร่างกายไม่ดีสมาธิก็ไม่ทรงตัวท่าร่างกายดีสมาธิท่งตัวง่ายทั้งนี้ก็ต้องยกเว้นพระอริยเจ้า <c oughs> ถ้าพระอริยเจ้าแล้วคําว่าร่างกายดีหรือไม่ดีไม่มีความหมายในบริการหนึ่งกรรมาฐานที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสดัทรงสอน ก็ไม่ใช่สอนแต่เฉพาะอารมณ์ทรงตัวอย่างเดียวมีกรรมฐานที่ต้องใช้ปัญญาคิดมีอยู่เหมือนกันฉะนั้นถ้าวันไหนหรือเวลาใดจิตต้องการคิดก็พยายามหากรรมฐานที่มีอารมณ์คิดเช่งมีอยู่มากตัวกันเช่นในอนุสติ9้าเวนานาปานุสติเรื่อสุปกรรมฐานก็มีหารสี่ กายกะตานนสติจตุธาลเวทฐานสี่หารีปิโกสัญญาระมรณานุสติยังนจะเป็นนนสติแปดที่ตรงเว้นก็ไม่แน่นักยังมีอุปสมานโนสตินึกถึงพนิพพานเป็นอารมณ์มีมากด้วยกันกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระพิจิตมานทรงแนะนำให้ฝึก โดยใชายอารมณ์คิดในสมถะบรรณามีมากหรือในมหาสติปัฏฐานทั้งหมดเว้นอนาปานุสติก็เป็นกรรมฐานใชอารมณ์คิดทั้งหมดนี่ถ้าจิตต้องการคิดก็คิดอยู่ในขอบเขตในกรรมฐานที่เราพอใจนี่เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติดปวยกรรมฐานที่จะให้ได้ดีเพราะว่าจิตมีสภาพคล้ายๆกับมาพยศ พระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นจิตเจ้านี้มีสภาพใครมาประโยชน์การจะฝึกมาพยศให้อยู่ในขอบเขตตามที่เราต้องการย้ายมันปฏิบัติเป็นของยากขณะใดถ้ากําลังใจมันดีมันมีความอ่อนโยนนึกว่าไม่ดื้อไม่ได้ขณะนั้นแล้วก็ฝึกได้ตามที่เราต้องการแต่ขณนะที่มันจะเกิดพยศขึ้นมาความดื้อด้านปรากฏ จะทำยังไงก็ดีเจ้าม้าตัวนี้มันจะไม่ยอมรับฟังคําสั่งและคําแนะนําของเราทั้งหมดมันจะต้องพยศไปตามแบบฉบับของมันตอนนี้เราทํำยังไงทํำยังไงจึงจะบังคับไม้เข้าเส้นทางและปฏิบัติตามที่เราต้องการได้อ น, นี้ตามความแนะนําคําแนะนําขององค์สมเด็จพระจอมไตรปรมสารเสดาท ร, ราางแนะนําไว้ว่า ถ้าจิตมีอารมณ์ฟุ้งซ่านบังคับไม่ได้จริงๆก็จงเลิกเสียหยุดไปซะเลยไม่ทำแบบนี้ประการหนึ่งปล่อยไปจริงคว่างจีงทั้งจะมีอารมณ์เรียบสบายจึงเริ่มทำนี่สำหรับท่านที่นิยมอาตาัตะกิรมัฐา น, นโยกเท่าฟังก็อาจจะคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีขี้เกียจ ทางที่ดีก็ควรจะบังคับจิตให้มันทรงตัวให้ได้ถ้ามันไม่สามารถจะเป็นไปตามที่เราต้องการก็ต้องบังคับมันจะเป็นจะตายเราก็ยอมแต่แต่มาคิดว่าวิธีนี้อาจจะพอทำได้แต่ก็ขอยืนยันว่าทำดีไม่ได้เพราะไม่ใช่โอกาสที่พึ้นด้านทำได้อย่างนั้นในระยะแรก การที่จะบังคับอารมณ์จิตได้อย่างนั้นต้องเป็นเรื่องของบุคคลผู้ทรงฌานเคยทรงฌานมาได้แล้วเคยบังคับจิตที่อยู่ในขอบเขตได้แต่บางวันมีบางขณะบางโอกาสที่จิตมีอารมณ์สร้างเกินปกติอันนี้จะบังคับจิตได้ว่าถ้าไม่ดีจะไม่ยอมเลิกถ้าทําอย่างนี้ถ้าบังคับจิตอย่างนั้นตัดสินใจเด็ดขาดว่า เลือดเดิเนื้อเอจืเหือดแห้งไปก็ตามทีชีวิตจะสิ้นลมปลายก็ตามทีจะไม่ยอมเลิกในเมื่อท่าจิตไม่ทรงอารมณ์เป็นฌานตามปกติเท่าที่เคยได้มาถ้ามีอารมณ์เข้มข้นอย่างนี้จิตที่เคยทรงสมาธิไว้แล้วเราก็สามารถจะบังคับให้ทรงตัวได้ภายในอย่างอย่างชาเพียงสองนาทีจิตก็จะทรงอารมณ์เป็นฌานอย่างนี้บังคับได้ การบังคับให้ตามการตามเวลาที่ต้องการนะ่ะต้องรู้กําลังของจิตไม่ใช่ที่ก็จะเห็นเขาทําได้เราก็จะทําได้มันจะเกิดความลําบากใจทน่นนี้ตามในยะที่องค์สมเด็จพระจอมไตรท่านทรงจัดที่พระพุทธโคสาจารย์ น, น, รนํานํามรจนาไว้ท่านบอกว่าถ้าบังเอิญจิตบังคับไม่ได้จริงๆ มันพุ้งซ่านมากแต่เราก็ไม่ยอมเลิกทือว่าถ้าวันนี้ทาไมสามารถจะบังคับจิตให้ได้ดีเพียงใดตามที่เราต้องการเราจะยอมตายเสียดีกว่าแต่ก็แตลว่าต้องใช้วิธียืดจุน่นย่าใช้เกณฑ์บังคับเครียดคนเราถ้าบังคับกันจริงๆไม่ไหวก็ต้องใช้การปลอบโยนตามใจกันบ้าง เพื่อ้เขาผู้นั้นมีความมีใจอ่อนเห็นเหตุเห็นผลข้อ น, นี้มีประมาณชั้นใดแม่แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงแนะนำเรื่องจิตนี้เหมือนกันว่าเห็นท่าวิญาฟุ้งส่านมีความดื้อด้านแข็งแกร่งจริงๆรวงก็ทรงแนะนำบอกว่าปล่อยไปเสียไม่ควบคุมไม่บังคับไม่ทรมาน ปล่อยจิตใี้คิดพลานไปตามความประสงค์แล้วก็คอยทรงสติสัมปชัญญะเขาไว้คุมไม่ว่าท่านเลิกคิดมาเลยจะจับให้ทรงสมาธิทันทีทรงจัดว่ามีอุคมาเหมือนกับบุคคนผู้ฝึกมาคนที่ฝึกมานี่แต่ว่าม้ามันพยศจริงๆไม่เข้าเส้นทางท่านสอนให้กอดคอม้าไว้และปล่อยให้ม้าวิ่งไปจริงกว่าจะสุดฤท มันจะไปไหนก็ให้มันไปก็มันตามอธัธยาศัยให้ไม่วิ่งไปตามบทตามเพลงของมันวิ่งหนักเข้าหนักเข้ามาก็มีสแปีมีสภาพมีจิตเหมือคนรู้จักเหนื่อยรู้จักเมื่อรู้จักลาเหมือนกันวิ่งไปนานๆเข้าในสุดก็เหนื่อยเมื่อเหนื่อยแล้วตอนนี้เราจะบังคับให้มา้าเดินไปทางไหนก็ได้เพราะมันหมดฤทธ อย่าบังคับให้เข้าเส้นทางตามที่เราต้องการได้โดยง่ายข้อนี้มีประมาณชั้นใดองค์สมเด็จพระจอมไตรปิฎกศาสตร์เชนดาทรงแนะนำว่าถ้าจิตมีอารมณ์ฟุ้งซ่านจริงๆบังคับไม่อยู่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงแนะนำให้ปล่อยให้มันคิดไปตามอัธยาสัย แล้วทรงสติสมัญญาคิดไปว่าถ้าเลิกอารมณ์ฟุ้งซ่านมาอะไรจะจับลมหายใจเขาออกเขายู่ตามความต้องการสำหรับคอ น, นี้อาตมาเคยพิสูจน์มาแล้วทำแล้วบทที่พูดมานี่ทุกประการที่ถวายพระพรมาอาตมาเคยฝึกมาทุกอย่างทดลองคำสอนเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีผลจริงตามนั้น การนับลมหายใจเขาออกก็ดีนับหนึ่งถึงสิบเพียงแค่สองสามวันอารมณ์จิตก็สบายนับไปถึงยี่สิบสาสิบจิตก็ยังไม่เลิกสบายยังทรงตัวถ้านับไปถึงหนึ่งเดือนนี้จิตจะทรงไปสมาธิได้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแบบสบายๆเป็นปกติน้อยวันนักที่จิตจะมีอารมณ์ฟุ้ฟงซ่านอันนี้ฝึกมาแล้วทำแล้วจึงกล้าเยืนยัน ในแบบฉบับหนึ่งที่องค์สมเด็จพระคิดพิจิตตมานทรงตรัสว่าจิตมีสภาพคลายมาพยศอันนี้อาตายมาลเทดลองแล้วเหมือนกันวิธีนี้รู้สึกว่าเป็นวิธีที่ดีมากาการนับกันหมายถึงว่าจิตที่มีรมแข็งกร้าวไม่มากนะักยังพอทนนับกันได้แต่จิตบางขณะจริงๆจะว่าจะนับหนึ่งถึงสิบเล หนึ่งถึงสามนี่มันก็ขมไม่ไหวมันฟุ้งซ่านใช่จริงๆถ้าหากว่าตกอยู่ในรมอย่างนี้แล้วก็ต้องใช้วิธีหลังคือการฝึกมาพยศลอยให้จิตคิดไปตามอัธยาศัยเท่าที่สังเกตมาไม่เคยเห็นว่าจิตจะคิดไปถึงยี่สิบนาทีไม่ถึงแน่ว่าเดียวๆคือชั่วครู่หนึ่งก็สงบไม่อยากคิด ตอนนี้จับอารมณ์ของจิตคือจับลมหายใจเขาออกให้ทรงตัวจิตจะสามารถทรงอารมณ์ได้แนบสนิทมีความสุขมีความสบายมีความเยืกเย็นอย่างเร็วที่สุดจิตจะตั้งอยู่ในปฐมฌานนี่เป็นอย่างเร็วถ้าอย่างดีจะดีกว่านั้นแล้วก็ทรงอารมณ์แนบสนิทมีความสุขมากเจริญขอโยคาวาจรทั้งหลาย ที่เป็นนักปฏิบัติในด้านอนาาบานุสติกรรมฐ า, านยิงพยายามยาว่าฝฟ้นคำสั่งและคำแนะนำขององค์สมเด็จพระพิดามมนให้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเวลานี้เรากำลังเป็นผู้รับการฝึกไม่ใช่เป็นแชมป์รือไม่ใช่ผู้ชนะเลิศ ยังเป็นผู้ที่ต้องมีการต่อสู้หรือเป็นการฝึกซ้อมเท่านั้นเตรียมไ้ต่อสู้กับข้าศึกจนกว่าจะมีกำลังใหญ่นี่สำหรับอนาปานุสตินี้ถ้าปฏิบัติได้จริงๆเป็นกรรมฐานที่มีกำลังสูงมากสามารถทรงได้ทั้งชานสี่แต่ตามแบบท่านบอกว่าถ้าบุคคลผู้ปรารถนาพุทธภูมิ สามารถส่งได้ทั้งฌานหแต่ความจริงฌานหกับฌานสีมีอะไรไม่แตกต่างกันมีสภาวะเช่นเดียวกันแต่แยกเอาเป็นวิตกกวิจารสองประการนี้เป็นอันดับต้นเสียเป็นปฐมฌานถ้าสำหรับฌานสี่ก็ใช้วิตกวิจารณ์กับปีติสมอย่างเป็นเป็นปฐมฌาน สำหรับชาทีสองก็ตัดวิตกวิจาร์นับตั้งแต่ปีติสุเอกคตาขึ้นไปเป็นชานที่2งชาที่1ก็มีวิตกวิจาร์ปีติสุเอกสุเอกคตาคือนับ5เป็น1ถ้าชาณีสอเหลือสามคือมีปีติสุเอกคตาถ้าชาณีสามตัดปีติทิ้งไปเหลือสุขกับเอกคตา ถ้าชาแน่สี่มีสองตัดสุขทิ้งไปเหลือเอกกับตากระอุเบขาสำหรับคนเนียตมาจะไม่อธิบายก็ตามแบบนี้อยู่แล้วเพงขอถวายพระพรมาเพียงคร่าวๆสำหรับพระมหาบกทิตก็ทรงทราบได้ดีทันนี้วิธีที่ขอร้องมา อาตมาทราบว่าต้องการจะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับบุคคลผู้ปฏิบัติใหม่ยิงขอถวายพระพรมาเพียงย่อๆเนื้อการที่ทรงรู้จิตทรงกำหนดรู้จิตว่าฌานที่หน่งมีลักษณะเป็นอย่างไรตอนนั้นก็กำหนดรู้แบบนี้สำหรับปฐมฌานยังมีความมีอารมณ์หยาบ มีความรู้สึกลมหายใจเข้าใจออกรู้สั้นรู้ยาวและจิตใจมีความเปลือปราบเรื่อมีความอิ่มเอิบมีความสุขจิตทรงอารมณ์หูได้ยินเสียงภายนอกชัดเจนแจ่มใสรู้เรื่องที่เขาพูดหรือว่าเขาทำอะไรเขากล่าวอะไรรู้ฟังได้จำได้ทุกอย่างแต่ถ้าว่าอารมณ์ไม่รำคาญในเสียงนั้น ขณะที่จิตทรงสภาพแบบนี้ท่านเรียกกันว่าปฐมฌานสําหรับฌานที่สองและที่สาอาตจมาจะไม่ขอกลา่าวก็ขอกล่าวเฉพาะฌานที่สําหรับฌานที่สเนี่ยแบ่งออกเป็นสองตอนคืออย่างหยาบกับอย่างละเอียดสําหรับอย่างหยาเมื่อพิจารณาไปภาวนาไปพิจารณาลมหายใจเขาออกไปจะรู้สึกว่าลมเบาลงไปทุกทีทุกที ในที่สุดจะมีความรู้สึกเหมือนว่าไม่หายใจแต่รมใจจะทรงตัวจิตจะมีความสุขหูได้ยินเสียงภายนอกแม้แต่เสียงดังมากๆอย่างเครื่องขยายเสียงอยู่ใกล้ๆจะฟังเสียงแว่วๆนิดๆเท่า น, น, น, นั้นอย่างนี้เป็นฌานสี่อย่างถ้าเป็นฌานสีละเอียดหูจะดับเสียงหมดเรียกว่ากายกับจิตแยกกันเด็ดขาด เวลานั่นยงจะกินลิ้นจกัดไม่มีความรู้สึกตัวเพราะจิตไม่ยอมรับรู้เรื่องการสัมผัสทางร่างกายถ้าจะทงตรัสถามว่าจิตไปไหนก็จะต้องขอถวายพระพรว่าจิตอยู่ที่เดิมแต่ว่าไม่รับทราบในเรื่องการรับสัมผัสของประสาทเรื่องกายก็เป็นเรื่องกายเรื่องของจิตก็เป็นเรื่องของจิตจิตไม่ยอม รับรู้เรื่อยๆกับเรื่องของร่างกายทั้งหมดในตอนนี้บางท่านอาจจะคิดว่าบางทีไปเห็นท่านผู้ทรงฌานสีไปเรียกไม่ได้ยินท่านนั่งก็ยังดีอยู่ท่านนอนไปดีไม่ดีก็คิดว่าท่านผู้นี้ตายไปเสแล้วถ้าบาังเอิญท่านผู้นั้นตั้งเวลาอารมณ์จิตไว้ว่าจะทรงฌานสีอยู่นี่ ประมาณสองสามชั่วโมงจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีจะยิงก็ดีจะเดินก็ดีอารมณ์ของจิตก็จะตัดความรู้สึกของวระสาทภายในระยะที่ต้องการไว้ในขนาดนั้นคนจะไปเรียกหรือจะไปสั่งกายจะไม่มีความรู้สึกเรื่องนี้ก็มีมามากที่เกิดการเอะอะวุ่นวายกันหาว่าท่านผู้นั้นตาย ถ้าถึงเวลาที่ท่านตั้งกําหนดไว้ก็ปรากฏว่าท่านก็มีความรู้สึกมีความปกติของร่างกายมีหน้าตาอิ่มเอิบมีความผ่องใสมีอารมณ์ชื่นบานนีอารมณ์จิตที่เป็นฌานแม้แต่ปฐมฌานก็ดีแล้วต่าลงมาขั้นปีติก็ตามจิตจะเป็นสุขหน้าตาจะชื่นบานเป็นปกติมีความแจ่มใสจากใจไม่ใจแจ่มใสมีความเป็นสุขมีความชื่นใจหน้าตาก็ผ่องใส เร่อเรว น, น, นี่าหน้าเป็นหน้าที่ไม่มีอาการเศร้าหมองเวลานั้นจิตจะมีความสุขมาถอนจากฌานนวันทังวันอารมณ์จะมีความสุขปัญญาจะมีความเฉลียวฉลาดสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในแบบสบายให้โดนคล่องแคล่วนี่ถ้าหากว่าท่านนักปฏิบัติสามารถทรงอารมณ์จิตในอนนาปานุสติกรรมฐาน ได้ตั้งแต่ฌานที่หนึ่งขึ้นไปจนกระทั่งเถืองถึงฌานสีจะเป็นตอนใดก็ดีก็รู้สึกว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์มากเพราะว่าอารมณ์แห่งปฐมฌานไม่มีความลำคาญในเสียงสามารถทรงอารมณ์ตามที่ต้องการได้อย่างนี้ก็เชื่อมีว่ามีประโยชน์ใหญ่ถ้าหากว่าสามารถทรงฌานสีได้ก็ยังดีหนักเพราะปัญญาเกิดมาก นี่เวลาที่จะเจริญวิปัสสนาอย่างก็ดีหรือพิจารณาในสมถะกรณใดกรหนึ่งก็ตามในด้านหนึ่งการเจริญภาวนาหมายถึงว่าพิจรารณาให้รู้เหตุรู้ผลในอันดับแรกถ้าหากว่าทรงอารมณ์จิตในด้านอนาปานสติของตนอย่างเร็วที่สุดเข้าถึงปฐมฌานแล้วก็คลายจิตนิดหนึ่งแต่ความจริงคำว่าคลายนี่ไม่ต้องคลาย หมายถว่าถอยหลังจิตมาคิดจะค่ายควรมันก็มาเองการคลายสมาธิแต่พูดตามแบบก็รู้สึกว่าหนะักในวิธีปฏิบัติจริงๆก็ไม่มีอะไรเป็นแต่เพียงว่าตั้งใจว่าจะค่าคนก็นมาถายกองไรกองหนึ่งก็สามารถค่ายควรจะได้นานตามความต้องการและความรู้สึกของปัญญาก็จะมีความเฉียบแหลงที่มีความฉลาด สามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วถ้ายิ่งจิตทรงสมาธิถึงฌานสีด้วยก็ยิ่งมีถ้ากําลังปัญญาแจ่มใสามากมีความเข้มแข็งมากมีความคมกล้ามากสามารถจะวินิจฉัยพิจารณาเหตุดใดไ้ด้สมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีให้เข้าถึงถึงของจุดของความจริงได้ง่ายแสนง่าย ต่ความรู้สึกในการพิจารณาหาเหตุหาผลปัญญาของตนที่เกิดในขณะนั้นทุกท่านดีผ่านมาแล้วอาตมาเคยถามทุกท่านว่าความแจ่มใสของจิตความคมกล้าของปัญญาในตอนนี้ใครจะสามารถนำอธิบายได้เขียนได้บ้างไหมทุกท่านไม่มีใครตอบว่าอธิบายได้เขียนให้คล้ายคลึงได้เแว่แต่เหมือน คำว่าเหมือนไม่มีทางแต่จะเขียนเทียบเทียงกันไปหาความจริงสักส0เอร์เในร้อยเปอร์เซของความรู้สึกในขณะนั้นก็ไม่สามารถจะทำได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าอารมณ์ในตอนนั้นละเอียดมากมีปัญญาเฉียบแหลมมากพนาด้วยตัวังสือวาจาไม่ไหวการเจริญอนนาปานนสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่มีความสาคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ถ้าท่านผู้ใดสามารถเจริญอนาปาทตสติกรรมฐานทรงฌานสีได้ตามความต้องการนี่ถ้าจะใช้อารมณ์ไปพิจารณาและวิปัสสนาญาณเพื่อหวังมรรคผลอันนี้เป็นของไม่ยากเลยเป็นของง่ายเพราะว่าถ้าสมาธิจิตดีความจริงสมาธิจิตนี่กว่าจะปลุกปล้ำมาถึงขั้นฌานสีได้เนี่ยเป็นของแสนยาก เพราะว่าเป็นการคุงกำลังใจให้สรงตัวและมีกำลังมากพอไปเจริญวิปสัสสนาอย่างเข้าจะรู้สึกว่าเข้าทางของหมายถึงว่าเข้าถนนเรียบการเจริญสมาธิมันก็เดินบกปา่ามีความสบายกว่ากันมากมีความสะดวกมากผลที่จะเกิดก็เกิดง่ายกว่าทั้งนี้เพราะกำลังเขาสมาธิดี และสําหรับท่านที่สภออาวานุสตินี้มีประโยชน์หลายอย่างถ้ามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นกับร่างกายจะเป็นทางได้ทางหนึ่งก็ตามเข้าฌานในอานาปานุสติกรรมฐานสามารถระงับทุกขเวทนานั้นได้แบบสบายเจ็บปวดมากๆถ้าเข้าฌานสีได้ความรู้สึกเจ็บปวดจะสลายตัวไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าไอ้เจ็บที่เจ็บที่กาย ไม่ใช่เจ็บที่ใจใจไม่ยอมรับรู้การอาการข้องกายเส้นได้ความรู้สึกเจ็บมันก็หมดไปเพราะตาําตามลําพังกายไม่มีความรู้สึกว่าเจ็บตัวที่รับรองความเจ็บปวดก็ได้แก่จิตพราะชานสี่นี่สามารถแยกจิตออกจากสายของกายได้จึงไม่มีความรู้สึกว่ามีทุกขเวทนาใดๆ ตอนนี้บริการหนึ่งสำหรับท่านผู้ทรงฌานแนนาปานุสติกรรมฐานได้ทั้งฌานสีท่านผู้นี้สามารถกําหนดรู้เวลาตายของตนได้ตามความต้องการไม่ใช่ว่าต้องการตายรู้เวลาแน่นอนว่าเราจะตายเมื่อไรอายุเท่าไรเวลาใดอาการที่จะตายนั่นจะตายมีด้วยอาการอย่างไหนนี่รู้ได้ละเอียดออก จะบอกได้แม้แต่วินาทีที่จิตจะเคลือนออกนี่เป็นกําลังของออนาปานุสติกรรมฐานย่อมมีผลอย่างนี้เวะน้นว่าสาหรับอนาปานุสติกรรมฐานนี้อาตมาก็ขอถวายพระพรโดยย่อไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะว่าจะถวายพระพรมากไปกว่านี้ก็เห็นว่าเทพโพดแล้ว